แต่เฉพาะวันนี้นะได้ศึกษาตัวเองให้ละเอียดให้ลึกขึ้นก็เดิมหรือว่าเป็นการเก็บสติสองวันเก็บอารมณ์เสวันวันนี้เก็บอารมณ์เข้มนะคือได้ศึกษาตัวเองเข้มข้นขึ้นนะเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสที่เราได้เห็นชีวิตของตัวเองจริงๆ เนืองจากว่ามันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอยู่ตลอดเสมอเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เห็นไม่เห็นอะไรตัวเองชัดๆและจัดการไม่เป็นเหมือนกับไ้คอมพิวเตอร์ไวรัสมันลงโปรแกรมนี่เราก็ออกไม่ได้พออกไม่ได้ถ้าใช่ถูกใบผิดใช้ไปใช้มามันก็ไม่ทำงานเฉยอย่างเี้ มันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราในจิตใจและร่างกายของเราได้วัดเวลัดลงร่างกายก็ยังพอรักษากันไหวนะแต่ถ้าว่าลงทางด้านจิตใจนี่มันล้วนตลอดเวลาดัง น, น, นั้นก็เลยว่าให้มาศึกษาเรื่องนี้เรียกว่าเป็นตัวป้องกันเวลัดทางใจโดยเฉพาะเลย แต่เวลาทางกายนี่นก็ป้องกันได้หลายหลายรูปแบบการมีร่างกายที่เข้มแข็งการออกกําลังกายการทานอาหารที่ถูกหลักมันก็สามารถป้องกันได้ระดับแต่ทางด้านจิตใจนี่มันเป็นเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะันั้นก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งอาจจะ ไม่ต้องใช้เวลามากอะ่ะให้เห็นมันได้ให้ใช้มันเป็นมันก็จ ะ, ะความทุกข์ก็จะไม่มีนะความลงเเละสงสัยก็ไม่มีความเห็นถูกก็เป็นไปเองนะั้นเวลาเรามาเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยเป้าหมายประการเดียวที่เราต้องการคือรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อย ถ้าเราไปข้อค้อยปฏิบัติหรือไปฟังไปอ่านไปแล้วก็ตามเรารู้จักน้อยรู้จักตัวเองน้อยลงไปเรื่อยๆนี่ถือว่าไม่ไม่มีประโยชนเ์เราเสียประโยชน์ด้วยแต่เราไปข้อค้อยปฏิบัติและศึกษาอะไรก็ตามเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จัดการตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นนิสงอย่างสูงทีเดียวทีนี้ การรู้จักตัวเองสองวันที่ผ่านมาวันแรกมาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างของรูปนามความรู้สึกทางกายเป็นอย่างไรความรู้สึกทางใจเป็นอย่างไรอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเราก็ตามระลึกรู้เราก็ศึกษาด้วยการทำตามซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถจะให้แต่ละคนเนี่ยเข้าใจ ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าบางคนมีพื้นฐานมาบางแล้วบางคนยังไม่มีพื้นฐานบางคนมีความตั้งใจบางคนไม่มีความตั้งใจบางคนแววไวบางคนเชื่องช้ามันก็จะต่างกันตรงนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามก็เข้าใจตามระดับของความสามารถของแต่ละคนในรูปนามเพราะนั้นเวลาทุกครั้ง เวลาจะเริ่มไปเรื่องใหม่เอามาจะต้องทวนเรื่องเก่าขึ้นมาเสมอ <c oughs> เพื่อจะต่อกันติดนะตาหลักสูตรของสิิประฐานแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของกายหรือรูปนามแล้วก็มาเรื่องของเวทนารูปนามต่อนามรูปมาเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามรูปและนามล้วน ในเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของทั้งที่ทเป็นลุกลนๆ้วนและนามลล้นลวนนะซึ่งเราจะเข้าใจให้ชัดในความเป็นจริงก็พยายามที่จะเลี่ยงภาษาตําราให้เป็นภาษาที่สื่อได้ดังนั้นทุกครั้งเมื่อมีการบรรยายจบลงก็อยากจะให้ถามในส่วนที่ไม่เข้าใจหรือฟัง แล้วมันไม่เก็ตไม่สัมผัสก็ให้ถามนะเพื่อความเข้าใจจึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าสมมติว่าที่เราฟังผ่านไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็ถือว่าเสียประโยชน์แต่ถ้าเข้าใจโดยตลอดสายว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยเราสัมผัสได้ใช้เป็นเห็นชัดจัดถูกนั่นก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างสูง แต่บางครั้งมันก็ใช้พูดไวไปก็พยายามที่จะให้ช้าลงนะในช่วงเช้านี้อยากจะลำดับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งว่าอารมณ์รูปนามที่เราสัมผัสได้มาตั้งต้นที่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เสมอและขณะนี้แล้วเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นคืออะไร สำรวจลงไปในเนื้อในตัวในกายในใจของเรานะขณะนี้ที่เราสัมผัสได้เท่าที่มีเนี่ยเท่าที่เป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสมันได้ขนาดนี้ให้ตั้งทุกครั้งเนี่ยให้เอาจิตมาตั้งไว้เริ่มต้นณจุด น, นี้เสมออย่าลืมนี่คืออารมณ์ที่เป็นรูปเป็นนามให้เห็นสภาวะที่ตั้งอยู่ปัจจุบันในช ắt, ัดชัดล้วนๆโดยที่ไม่ต้องสร้างจินตนาการ ไม่ต้องนึกไม่ต้องจดไม่ต้องจำตรงนี้น่าจะเข้าใจได้นะว่าเราเคยอยู่กับความคิดความนึกความปรุมความแต่งมาจนชินพอใหาบอกให้กลับมาอยู่ความรู้สึกล้วนๆเนี่ยดูเหมือนยากนะดูเหมือนยากแล้วอีกอันหนึ่งความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันเนี่ย เราต้องการความรู้สึกแบบไหนเราจัดการมันได้ไหมความรู้สึกสบายเป็นแบบไหนความรู้สึกไม่สบายเป็นแบบไหนความรู้สึกน่วงความรู้สึกสงบความรู้สึกเริมซลือ <c oughs> ความรู้สึกปวดเมื่อยความรู้สึกหนักน่วงเห็นมันชัดไหมอาการเหล่านี้อันไหนที่มันเกินที่เราจะ ทำให้มันไปบีบขันความรู้สึกเราแล้วทำให้เราเกิดความแสบสายฟุ้งซ่านแปรปรวนเราก็ต้องจัดการเอาออกไปพอในส่วนของรูปคือร่างกายเนี่ยเราจัดการมันได้เสมอด้วยการเปลี่ยนอิเยบทดยการปรับทาาปรับขันของเราให้พอดีตัวนี้คือใช้สติสัมปชัญญะง่ายๆแต่ถ้าหากเรา จัดไม่ได้ใช้ไม่เป็นเห็นไม่ชัดในอาการอย่างนี้ก็ชื่อว่ายัางเข้าใจไม่ถูกอมาก็ต้องตอกย้ำแนะ น, นำให้ทาให้ถูกซึ่งเป็นเรื่องสาคัญนในวิธีการนี้นะแต่ในวิธีการอื่นเขาอาจจะไม่พูดถึงแต่ในวิธีการนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือเริ่มต้นนะ จุดปัจจุบันเสมอว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเริ่มต้นตรงนี้เสมอนะเอาความรู้สึกแต่บางครั้งก็ยแยกให้เห็นความชัดเจนของความรู้สึกระหว่างความรู้สึกที่เป็นสติและความรู้สึกที่เป็นเวทนาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามทำความเข้าใจอย่างชัดเจน นะความรู้สึกประเภทไหนที่เป็นเวทนาความรู้สึกของรูปคือความหนักหน่วงทงทับเจ็บคันเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปที่สัมผัสได้ง่ายๆชัดๆเรียกว่าเวทนาแต่ส่วนใหญ่ 90% เเน่มันเป็นทุกขเวทนาแต่สุขเวทนาในแทบจะสัมผัสไม่ได้ผิวเผินมากนะ ทีนี้ในความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นตัวธรรมชาติ น, ะ ต, นตะตัวธรรมชาติหรือตัวธรรมดาที่มันมีอยู่แล้วที่ได้บอกไปวันก่อนนะตัวธรรมชาติที่มันมารู้อาการเหล่านี้เนี่ยมีสองลักษณะว่าความรู้สึกที่จะตามรู้ตามดูตามเห็นอาการของ กายที่แสดงรูปออกมาเป็นความทุกขเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดเนี่ยมันมีความรู้อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวโดยธรรมชาติที่แบ่งไปสองลักษณะนะอันนี้ตามให้ทันนะลักษณะอันแรกก็คือรู้โดยรู้สึกตัวโดยฉันทะยานเช่นนั่งแบบนี้มันหนักแล้วก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเบา อันนี้เป็นความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติที่ไม่ว่าทุกสัตว์ทุกคนทุกตัวตนมีอยู่หรือลิ้นมาไต่อะไรมาจอมมือมันจะไปเองไปปัดออกเนี่ยหรือรู้สึกว่านั่งแบบนี้มันไม่สวยปรับให้มันสวยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณล้วนๆเลยอันที่หนึ่งนะที่ทุกคนมีอยู่ อะไรก็ตามหรือความเคลื่อนไหวที่มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติเช่นพับตาปากหายใจหรือจับนั่นจบจับนี่เนี่ยที่มันไปโดยของมันเองเนี่ยนี่ความรู้ที่เป็นธรรมชาติเพื่อตอบสนองเจตนาที่จะทำในสิ่งนั้นๆซึ่งบางครั้งเป็นเจตนาที่มันเป็นไปเอง นี่ยตัวนี้ที่มันเริ่มซับซ้อนที่เราจะเข้าใจยากถ้าไม่ได้ลึกรู้ในจุดนี้จริงๆก็จะเห็นยากอยู่แต่ให้รู้ว่านี่คือความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานของทุกสัตว์ทุกคนทุกตัวตนมีอยู่ตลอดอคือต้องการเป็นความรู้สึกที่เป็นการบําบัดความเสื่อมความ ทุกของร่างกายแม้แต่สัตว์มันก็มีเวลามันหิวรู้สึกหิวมันก็ไปหาอาหารรู้สึกมีภัยมันก็รีมหนีรู้สึกต้องการที่อยู่ที่หลับพี่นอนมันก็ไปหารู้สึกถึงการสืบพันธุ์มันก็วิ่งหาคู่มันเนี่ยความรู้สึกเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ที่มีอยู่ทุกคนตัวตนแต่ผู้รู้ท่านบอกว่าความรู้สึกประเภทเนี่ย มันปกป้องรักษาเฉพาะกลายเป็นหลักมันปกป้องรักษาเฉพาะรูปเป็นหลักความรู้สึกประเภทที่เป็นธรรมชาติประเภทนี้และถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามในอดีตได้เคยสั่งสมได้เคยเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกตัวที่เป็นสติที่สูงกว่าระดับนี้เช่นเคย รักษาศีลเคยฟังธรรมเคยปฏิบัติภาวนาไม่ว่าสมถะวิปัสนาความรู้สึกตัวชนิดใหม่เนี่ยมันก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาและความรู้สึกชนิดใหม่นี้มันก็เติบโตมาจากความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณนั่นเองซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนว่าตัวสัญชาตญาณเหมือนอะไรจำได้ไหม เหมือนมเมล็ดพืชจําได้อยู่นะใช่ไหมเอามายกว่าเหมือนมเมล็ดมะขามอย่างนี้เนี่ยไอ้ตัวมเมล็ดมะขามเนี่ยถ้าเราไม่นําไปลงดินไม่นําไปรดน้ําใส่ปุ๋ยผลิตมันก็จะเป็นเมล็ดมะขามนั่นแหะจนแห้งจนมอดกินโปกกินหรือจนเป็นลาเป็นเน่าเสียไปมันก็จะไม่งอกงามกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของหรือคน หรือมาโดยธรรมชาติั้มาตกมาถูกดินได้รับน้ํารับปุ๋ยหรือคนนําไปเพาะเมล็ดมะขามนี่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันก็คือต้องแตกงอกออกรากเติบโตไปตามลําดับตัวที่มันเติบโตจากของเดิมนี่เองที่เราเรียกว่าเป็นพีชะหรือเป็นพืชจากเมล็ดกลายมาเป็นพืช ในตัวความรู้สึกตัวที่เป็นสัรชัติยานของเราเนี่ยที่มันมีอยู่ทุกตัวตนถ้าได้รับการพัฒนาคือหมายความว่าเจ้าของความรู้สึกตัวนี้แหละนำไปศึกษานำไปดูแลนำเอาไปใจใส่นำกลับมาฝึกฝนลงในรูปในนามเหมือนเอามเมล็ดมะขามลงในดิน มีศรัทธาและความเพียรเหมือนเมล็ดฝนเข้าไปทำให้ความรู้สึกตรงเนี้ที่มันตอบสนองโดยไม่รู้มันเริ่มรู้ตัวเริ่มตอบสนองและรู้กะทุจัจากการใช้ความรู้สึกประเภทนี้เป็นเรื่องเป็นดาวเราเรียกว่าสตินะสติและตัวสติสัมปรีตตัวนี้เป็นความตื่นตัวความรู้ตัวเนี่ยก็มีอยู่ ในหลายระดับหมายความว่าระดับต้นๆมันก็คือหนึ่งแต่พัฒนาขึ้นไปถึงร้อยระดับเนี่ยเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่ดังนั้นวัฒนธรรมของมนุษย์ก็พยายามที่จะพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกให้มีความรู้สึกสำนึกให้มีมโนธรรมให้มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมให้มีวัฒนธรรมต่างๆก็เพื่อมาพัฒนาไอ้ตัวนี้ แต่ว่ามันเป็นสองระดับอีกเหมือนกันความรู้สึกตัวที่พัฒนาขึ้นมีสองระดับ1ระดับที่ตอบสนองต่อร่างกายเป็นส่วนใหญ่แต่ตอบสนองทางด้านจิตใจเพียงไม่มากบางส่วนเช่นการใช้ความคิดใช้สติปัญญาระดับของคนทั่วไปก็มีสติเหมือนกัน การทำมาหากินการศึกษาเรียนรู้การผลิตผลของอะไรต่างๆเนี่ยก็ออกมาจากสติปัญญาระดับนี้ก็ใช้ได้แต่มันยังเกี่ยวข้องด้วยวัตถุจะตั้งแต่คนธรรมดาจะไปถึงด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ถ้าเขาไม่มีโอกาสมาฝึกฝนด้านวิปัสสนาแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ ระดับจะระดับต่ำถึงระดับสูงแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่เคยทำสมถาวิปัสนามาเลยแต่ว่าเขามีสมถาวิปัสนาโดยไม่รู้ตัวคนนั้นก็สามารถที่จะลดละดับทุกได้ระดับหนึ่งแต่ระดับแต่ระดับอาสวะไม่ได้ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ได้เรียกว่าเป็นพรมคือความสงบระงับบังคับได้ระดับหนึ่งก็เรียกว่าสมถะนี่ ดังนั้นตัวความรู้สึกตัวที่พัฒนามาจากตัวสัญชตาตญาณพัฒนาใช้มาระดับที่เป็นคนดีธรรมดาคือมนุษย์จนไปเป็นคนดีขั้นสูงคือพรหมก็ได้แก่คนที่มีจิตใจเยือกเย็ น, ยนมีความสงบมีสติปัญญาสามารถดูแลปกป้องคุ้มครองคนทั่วไปได้เป็นนักบริหาร น, นักจัดการที่มีสิทธิ์ได้ทเนี่ยเขาก็มี สมถ t h ขัน้นสูงเหมือนกันแต่ในเมื่อมีปัญหาอะไรสลักสําคัญมีอะไรที่กระแทกกระทบไปสักสเขาก็ทํายังทําใจไม่ได้ยังมีการคุณมัวปฏิฆาอยู่ลึกๆตรงเนี้ยมันก็ยังมีปฏิฆาอยู่แต่ผู้ที่มาศึกษาวิปัสสนานั้นต้องการมาดูรายละเอียดตรงนี้ว่าความรู้สึกตัวที่ พัฒนาเป็นสติเป็นสมาธิเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือความที่เราสามารถรักษาจิตไว้ได้ในปัจจุบันระดับหนึ่งเรามีวิธีการนะมีวิธีการรักษาจิตให้อยู่ปัจจุบันได้การที่จิตมาตั้งต้นณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาเหมือนเมื่อก่อน สมัยโบราณเนี่ยคนยังไม่มีความเจริญเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเขาก็ไม่มีวิธีการรักษาน้ำฝนปล่อยให้น้ำไหลลงคูลงคลองลงหนองลงบึงแล้วก็ไปเอาน้ำมันมาใช้มาบริโภคต่อมาก็ไปขุดเอาน้ำบ่อที่น้ำกันกรองจากแผ่นดินเอามาใช้แต่พอพัฒนามาถึงปัจจุบันปับ๊บ คนก็เริ่มรู้จักวิธีเก็บรักษาน้ำี่จกมาจากฟ้าชันใะดก็ดีณนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราก็การพัฒนาทางด้านปฏิบัติทางด้านสมถาวิปัสนาแบบโบราณเนี่ยก็ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ยังไม่ชัดเจนแต่เมื่อมีผู้รู้หลายท่านได้มาบอกต่อๆกันมานับแต่พุทิเจ้าเป็นต้นมาถึงพระอรหันต์ทั้งหลายจนถึงพระอริเจ้าจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็บอกในเรื่องนี้มาตลอดเราก็มีการพัฒนาการขยายมีการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อให้การพัฒนาเหมือนกั บ, บวัตถรว่าเพื่อให้เห็นสภาวะตรงนี้ได้ชัดเจนขยายให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงรุ่นของเราเราก็เลยโชคดีตรงนี้โชคดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปงมไม่ต้องไปหา ใช้ความยากลำบากความเพียรอย่างคนเมื่อก่อนเรามาก็มาศึกษามาฟังแล้วไปทำดูตรงเป้าหมายแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนกันกับผู้ที่ใช้เวลามากมายทั <c oughs> ้งนั้นในตัวความรู้สึกตัวที่เป็นตัวสติสมาธิเนี่ยมันก็มีสองชั้นชั้นที่เป็นการรักษาจิตให้สงบด้วยการกดด้วยการขม่มด้วยการอดด้วยการทน เรียกว่าสมถะเช่นมีใครมาดา่ามาดินทามาว่าเราทั้งต่อหน้ารับหลังก็ดีเราก็ได้สงบระงับเอาไว้โดยที่ไม่ตอบโต้และหาเหตุผลก็มาประกอบให้จิตมันอยู่ได้แต่ว่ามันก็ยังนำเรื่องเหล่านั้นมานึกมาคิดมาปรุงมาแต่งในบางครั้งอยู่นั่นเป็นการสะกดเอาไว้นะไม่สามารถที่จะสลัดทิ้งโดยทันที หรือหายไปอย่างสนิทเช่นเราถูกเราเป็นภรรยาที่ดีสามีว่าไม่ดีเราก็ต้องคิดมากแต่สะกดเอาไว้ในฐานะเราเป็นคนดีมีศีลธรรมทาใจเอาไว้แต่นเมื่อการดูดาว่ากาวเกิดขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยมันความสามารถในการสะกดกั้นเหล่านี้ก็เริ่มไม่ดีแล้ะเริ่มเสื่อมหรือเราเป็นสามีที่ดีถูก ภริยามาว่าด้วยความไม่เข้าใจเราก็ต้องคิดโดยทั่วไปคิดแล้วก็หนักบ้างเบาบ้างตามแต่ความที่ตามแต่ความเข้มข้นของสิ่งที่กระทบสิ่งส่วนนี้เรียกว่าก็ยังใช้สมถะอยู่ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีความจํากัดของมันเออหนะักเท่านี้ฉันรับได้มากเท่านี้ฉันรับได้แต่ถ้ามากกว่านี้ฉันรับไม่ได้เนี่ยมันมีความจํากัดอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามาพบหลักอีกหลักหนึ่งของการพัฒนาจากอยู่นี้พัฒนาจากสมถะเป็นวิปัสสนาคือสามารถที่จะเห็นเหตุที่ไปที่มาของการกระทบเสียก่อนไม่ใช่ปล่อยให้กระทบแล้วมันรู้แต่สามารถที่จะรับรู้ก่อนกระทบขณะกระทบและหลังกระทบได้อันนั้นคือมาพัฒนาตัวรู้สึกตัวนี้ให้มากขึ้น ให้มีพลังมากขึ้นก็ในการมาเพิ่มกำลังเพิ่มกําลังของสติเพิ่มกําลังของสมาธิเพิ่มกําลังของปัญญาการเพิ่มกําลังของสติสมาธิปัญญานี้ก็คือการมาตั้งใจทําเรื่องนี้โดยเฉพาะและตรงเป้าหมายทีนี้ครูอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้ เป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งท่านก็จะเน้นเรื่องนี้ให้ชัดเท่านั้นเองแต่ผู้รู้ยังไม่จริงไม่แจ้งท่านก็ไปเรื่องอื่นวกไปเวียนมาอ้อมไปอ้อมมาซึ่งก็ทําให้เรายังจับจุดอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ทําให้เราต้องแสวงหาต่อไปหาผู้รู้หาครูบาอาจารย์ที่มาเจาะเรื่องนี้ต่อไปอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเมื่อเราหาครูครูคนนี้สอนได้เท่านี้หาไปหาครูขอสอนดีกว่านี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพบครูที่พูดตรงประเด็นแล้วเราทำได้ตรงนี้สำคัญนะปัจจุบันนี้ที่เราค่อยคุยสับสนก็เพราะเรื่องนี้เป็นสำคัญทีนี้กลับมาดูว่าตัวสติที่เป็นสัญชตาตญาณหรือสติโดยธรรมชาติเนี่ยเข้าไปบำบัดทุกขเวทนาทางกายได้ แต่สติที่เป็นสติที่เป็นสมาธิเป็นปัญญาสามารถเข้าไปบำบัดขจัดความไม่สบายทางจิตได้ส่วนจะบำบัดความไม่สบายทางจิตได้มากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความละเอียดของตัวรู้ตัวนั้นดังนั้นตัวละเอียดของตัวรู้ตัวนั้นจะละเอียดมากน้อยขึ้น แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับศรัทธาและความเพียรของเราหมายความวาเ ช, มเชื่อมัน่นความจริงจังตั้งใจและการความเพียรที่ถูกต้องมันก็จะเห็นความรู้สึกที่รู้เท่าทันต่ออาการของจิตเนี่ยละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาตัวนี้โดยที่เรามันเน้นอาการทางกายเป็นหลัก เน้นการทางกายเป็นหลักถ้าไม่เริ่มที่กายเนี่ยไม่เริ่มที่เวทนาเนี่ยมันไปไม่ถูกเหมือนกับเราจะกินข้าวเราจะมีข้าวรับประทานเนี่ยมันก็จะไปเริ่มที่หยับๆยานั่นตั้งแต่ไถ่ไล่ไถานาทั้งป่าทั้งพง ม, มาตามลาดับจนกระทั่งมีข้าวมาบริโภค เหมือนกันการที่เราจะไปเห็นสภาวะธรรมต่างๆในจิตในใจของเราว่าหยาบ ก, กลางละเอียดเนี่ยมันก็เริ่มมาจากกายหยาบหยาบนี่แหละแต่ขอให้พัฒนามันไปเรื่อยๆไม่ที่หยุดอยู่แค่ไถนาหยุดอยู่แค่หวานข้าวหยุดอยู่แค่ปลูกข้าวหยุดอยู่แค่เก็บเกี่ยวมันไม่ได้มันยังเป็นข้าวที่กินไม่ได้ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแล้วจะมา ตากมาตีมาสีมาแช่มาหูอีกหลายขั้นตอนฉันได้ก็ดีการพัฒนาตัวรู้ตัวเนี่ยนะอืมฟังไปฟังมาง่วงเลยใช่ไหมเหล่จะหายง่วงง่วงมาสามวันแล้วเนถอหายใจลึกๆขยิงหูขยิตาปรับเนื้อปรับตัวสิ่งที่หลวงพ่อกำลังพูดเป็นเรื่องสำคัญอย่ามานั่งฟังแบบง่วงไม่ได้ เดี๋ยวมันจะเป็นบาปนะปรับหน่อยนะเมื่อเราปรับสิ่งที่นลวงพ่ฟังผู้ที่ไม่ฟังไม่เข้าใจหรือเปล่าหรือว่าถึงง่วงเข้าใจนะเข้าใจมันต้องตาเป๋วนะไม่ใช่ตาสลืมสลืมหรือว่าร่างกายมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหลวงพ่อต้องการสื่อตรงๆกับพวกเรานะถ้าหากว่าไม่ตรงเราบอกหลวงพ่อด้วยฉันไม่เข้าใจฉันจึงง่วงบอกด้วย จะได้ปรับดังนะ น, นั้นในเรื่องของการปรับความรู้ชนิดนี้เบื้องต้นถึงบอกว่าสื่อให้ตัวเองให้ชัดๆในขณะนี้ตัวเองอยู่ในอาการอะไรซึ่งบอกเบื้องต้นแล้วใช่ไหมเรายังนําไปใช้ไม่ถูกว่าขณะ น, นี้ลองสื่อตัวเองชัดว่าตัวเองกําลังรู้สึกอย่างไรสบายหรือไม่ ส, สบายง่วงเหงาหรือตื่นรู้ค่อยปรับเรื่อยๆอ ถ้าหากเราเข้าใจในสิ่งที่พูดแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องคอยปรับคอยแก้หรือศรัทธาและความเพียรไม่มากพอตรงนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งเราลองพิจารณาดูว่าเราบกขัดข้องตรงไห น, นเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องละเอียดเราจะศึกษาแบบสลืมสลือไม่ได้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะแล้วก็สิ่งที่เรา ตามรู้ตามดูตามเห็นเนี่ยมันเป็นการสร้างดวงตาแห่งปัญญาขึ้นเพราะการได้เห็นตัวเองนะปัจจุบันชัดๆเนี่ยนี่คือดวงตาปัญญาที่เราจะต้องให้สว่างสวยอยู่เสมอแต่ว่าบางทีมันเป็นสมถะอยู่คือยังไปติดไปจงไปหลงไปลึกอยู่กับความสบายความสงบเหล่านี้มันยังไม่สว่างสวย คือเห็นไม่ชัดแต่ไปติดเสียตรงนี้คือสิ่งที่เราสั่งสมมาคือความพอใจความไม่พอใจเป็นบริษัทใหญ่ก็ปรับออกไปด้วยการใช้สติใช้ปัญญาของเรามันจะต้องมีสติปัญญาระดับหนึ่งนะจะศึกษาเรื่องนี้เข้าใจนะถ้าสติปัญญาตรงนี้มันยังไม่เข้มแข็งพอเนี่ยเราจะต้องไปขนขวายไปฝึกฝนให้จริงจังขึ้น ไม่เช่นนั้นเวลาของเราที่มันผ่านชีวิตไปแต่ละนาทีเนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยเอาค้นมาไม่ได้ทีนี้กลับมาดูที่ว่าความรู้สึกตัวที่พัฒนามาเป็นสติซึ่งได้กล่าวไปแทบทุกวันว่าสติตัวนี้รู้สึกตัวที่เป็นจุ ด, จดๆเขาเรียกว่าความรู้สึกในขณะที่เราสัมผัสขณะนี้เรานั่งแล้วมันหนักตรงไหนเห็นจุดนั้น อ่าเห็นจุดนั้นแล้วเป็นยังไงเรากดเราเพง่งเรา <c oughs> เร่งเราทับมัน <c oughs> หรือว่าเราคอยเฝ้าดูถึงความหนักหน่วงหรือความเข้มข้นของมันชัดไหมเฝ้ <c oughs> าดูในลักษณะที่เป็นรูปหรือเป็นนา้านี่เข้าไปตรงนั้นถ้าเป็นรูปก็เห็นอาการหนักนั้นชัดถ้าเป็นน้ําก็มีการแก้ไขบําบัดขยับเขยื้อน <c oughs> น, นี่นำเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นแต่บําบัดขยับเยื้อนโดยนามที่เป็นสัญชาตญาณคือบําบัดโดยไม่รู้ตัวเป็นไปโดยอาการซึ่งได้กล่าวไปก่อนว่าความสบายสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันด้วยการใช้ความรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณเข้าไปแก้แต่ว่ามันไม่ได้ตัวสติสมาธิเกิดขึ้นแต่การพัฒนาแบบนี้ สามารถเข้าไปบำบัดทุกขเวทนาคือความไม่สบายกายได้ด้วยแล้วเกิดความรู้ที่เป็นสติสมาธิขึ้นมาในเวลาเดียวกันด้วยตรงเนี้ยที่เน้นแล้วเน้นอีกที่อยากจะให้ทำให้มากให้คุ้นเพราะอะไรเพราะทุกขเวทนาที่บีบคั้นกายใจของเรามันมีตลอดเวลามันไม่ใช่มีเป็นบางครั้ง แต่ท้าทีที่เข้าไปแก้ไขไปจัดการเนี่ยเราทำด้วยสัญชตาตญาณหรือด้วยสติถ้าด้วยสัญชตาตญาณเราก็อยู่ได้แต่ว่ามันไม่เพิ่มพูนสติปัญญาแต่เ้่าเราได้อาศัยตัวการเคลื่อนการไหวที่เราบําบัดความไม่สบายกายไม่สบายใจ ด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสั่งสมเป็นตัวกําลังยานปัญญาเวลานั่งฟังหลวงพ่อนะ่ยอย่าเป็นหลับตาลืมตากวงๆเพราะครดนี่ไม่ใช่เรื่องของสมถะเป็นเรื่องของวิปัสสนานะฟังแล้วอย่าเอาความสงบฟังแล้วเอาความรู้แจ้งภายในชัดๆให้เกิดปัญญา ปรับยังไงให้มันสบายนั่งเฉยเฉยมันง่วงมาสร้างจังหวะช่วยมันแก้ไขปรับนะให้มันตื่นนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่ลึกมากเราจะต้องพยายามมากกว่านี้อีกไม่งั้นเราก็จะต้องแสวงหาฝั่งศึกษากันรเงี้ยไม่รู้สิน้นรู้จบชีวิตเราก็ผ่านไปจนไปอายุมากร่างกายสังขารไม่เอื้อมเอมื้อแล้วเราถ้ยังไม่แจนเรื่องนี้เนี่ยมันก็เสียเวลา ร่างกายสังขารเราแก่ขึ้นง่อมขึ้นชราภาพขึ้นเปียบปุ๋ยขึ้นทุกวันถ้าเราไม่แจ้งเรื่องนี้ซื้อก่อนเนี่ยเราก็ต้องได้รับทุกไปเรื่อยๆตายแล้วตายอีกเกิดแล้วอีกก็ยังได้รับทุกจากสังขารอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันแจ้งเสียชาตินี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เนี่ยต่อไปเราก็ไม่ต้องไปทุกทรมานกับไอ้สังขารอย่างนี้อีกนั่นดังนั้น ความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในกายในใจณปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เปลี่ยนจากตัวแก้ไขทุกแก้ไขความไม่สบายที่เราไม่รู้หรือรู้บ้างเผินๆ เ, เนี่ยให้เป็นรู้ชัดๆเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยไม่ยากเลยและตัวรู้ชัดๆเนี่ยมันจะทวงสังสมเป็น ขณะแห่งปัญญาเป็นมวลสารเป็นความถี่ของปัญญามากขึ้นเรื่อยๆและปัญญาตัวนี้มันจะเข้าไปบริหารจัดการชีวิตของเราในหลายๆรูปแบบเข้าไปเปลี่ยนแปลงความเคยชินของเราจากเราเป็นคนรักความสงบติดความสงบติ ด, ค ว, ต ด, ค, วตดความสุข เราก็จะเริ่มเอาความสุขความสุขมาบริหารจัดการใช้ไม่ใช่ไปกอดมันเอาไว้หรือไปยึดมันเอาไว้เมื่อบริหารจัดการในสิ่งที่เรามีอยู่ได้ชัดเจนความสุขความสงบความสบายมีอยู่แต่เราเราอย่าไปยึดอันนี้คือตัวปัญหาเพราะว่า สัญชาตญาณของสัมพัสัตทุกตัวทุกตนกต็ก ต, ต้องการสิ่งนี้ต้องการความสุขต้องการความสงบแต่ในวิปัสสนาของพระพุทธองค์นั้นแม้แต่ความสุขความสงบท่านก็ไม่ให้ยึดท่านให้ใช้ถ้าไปยึดแล้วมันก็จะกลับมาเป็นตัวทุกข์อีกเพราะอะไรความสุขความสงบที่มันยังไม่บริสุทธิ์นั้นมันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นความไม่สุขไม่สงบดูใจของเราว่าตอนแรกมันสงบ แลมันสกบอยู่ได้นานไหมอ่าตอนแรกมันสุกมันสุกอยู่ได้นานไหมเพราะฉะนั้นในการศึกษาเรื่องนี้อยากจะให้จริงจังขึ้นอ่าไม่ใช่เป็นเรื่องสมัครเล่นหรือเรื่องของทางเลือกที่จะเอามาใช้ในชีวิตแต่มันต้องเป็นเรื่องของชีวิตเลยทีเดียวนะเพราะว่าทุกคนที่มาที่นี่ ก็ไม่ได้มาโดยบังเอิญหรือมาโดยมาทดสอบทดลองสมัครเล่นแต่ตั้งใจมาแล้วก็มีที่ไปที่มามือเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาพบกันมาพบกันแล้วจะต้องไม่เสียเวลาในการทาเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆรื่ยความปรารถนาของผู้พูดต้องการอย่างนั้นเพราะเราแต่ละคนนั้นถ้าแจมแจ้งเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือ ตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆให้ทุกน้อยลงเรื่อยๆและนำเอาความรู้และประสบการณ์เกิดจากเรื่องนี้ไปช่วยเหลือในสมาชิกในครอบครัวสามีพัญญาเป็นที่รักลูกเป็นที่รักพ่อแม่เป็นที่รักเขาจะได้รับส่วนแบ่งของเราและในส่วนแบ่งอันนี้เราสามารถเพิ่มพูนเพราะในส่วนอริยทรัพย์เรียกว่าชื่อมันว่าอริยทรัพย์ คือทัพย์อันประื่อยประสบการณ์อย่างนี้มันเป็นทรัพย์อันประื่อยมันไม่มีการสอนกันในสถาบันการศึกษาไหนเมื่อมันเป็นทรัพย์ประืริฐแล้วทุกคนต้องมีส่วนได้จากเรามันเปรื่อยอย่างไรปรืริยคือสามารถที่จะหยุดจิตหยุดใจที่มันเคยทุกข์ไม่ให้ทุกข์ได้ประเส่อยขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าศึกษาเรื่องนี้แล้วมันยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมเนี่ย สแสดงมันมีอะไรผิดพลาดไม่เราผิดพลาดก็ผู้นำเสนอผิดพลาดต้องตรวจสอบเพราะชีวิตของเรามันไม่ใช่ของเล่นนะมันเป็นของที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษแต่สำคัญในฐานะเป็นตัวศึกษาให้เกิดปัญญาไม่ใช่สำคัญในฐานะว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเป็นเราเป็นของเราแล้วมันก็พัฒนาไม่ขึ้น ความไปยึบไปกอดไปเก็บเอาไว้ไม่เอามาใช้ดังนั้นเองในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยความรู้สึกสองประเภทเนี่ยมันแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาไม่สัญชตาตญาณก็ปัญญายาณไม่สติก็อวิชามันมีชื่อเขามาหลายชื่อเราจะไปสับสนเรื่องชื่อใครจะว่าความสัญชตาตญาณใครจะว่าอาวิชาใครจะว่า ดันหาอุปทานใครจะว่าอสว ก, ก็ตางมันก็คือตัวสัญเชติญาณ น, นั่นเองแต่ความเข้มข้นมันต่างกันมันมีชื่อต่างกันเหมือนน้ําเกลือเนี่ยเกลือระดับเข้มข้นระดับไหนอเจือจางระดับไหนมันก็ชื่อชื่อมันก็แปลกแตกต่างออกไปเรื่อยๆแต่มันก็คือน้ําเกลือ <c oughs> นตัวสัญชเชติญาณกันความเข้มข้นของการตอบสนองสัญของความ การอบัตทุกเนี่ยถ้ามันเข้มข้นมากมันก็ทําให้การตอบสนองนั้นไปตามกิเลสตามตัณหาได้มากขึ้นถ้ามันเข้มข้นน้อยการตอบสนองก็จะรู้เนื้อรู้ตัวบ้างไปบางครั้งบางคราวถ้ามันเข้มข้นมากไม่รู้เลยอ่าใช้คําว่าชั่วอูบอ่าหรือทําอะไรก็ทําไปเลยจะพูดอะไรก็พูดไปเลย จะคิดแล้วก็คิดไปเลยโดยที่ไม่มีการรู้ว่ากําลังพูดอะไร <c oughs> กําลังคิดอะไรและกําลังทําอะไรไม่มีโอกาสได้รู้เลยหมายความว่าเกิดความพอใจก็ทําตามพอใจไปเลยเกิด ค, ความไม่พอใจก็ทำตามความไม่พอใจไปเลยอันนี้มันเข้มข้นมากแต่ถ้ามีการฝึกฝนเรื่องนี้ระดับหนึ่งระดับสมถะมันพอจะรู้ว่าเออพูดและทำอย่างเนี้บางครั้งมันรู้ทัน บางครั้งมันก็รู้ไม่ทันไปเรื่อยๆแต่ความพอใจหรือความต้องการของเราไม่เพียงแค่นั้นเราต้องการว่าให้มันรู้ทุกครั้งในขณะที่มีการพูดการทำการคิดเกิดขึ้นมีการตรวจสอบเกิดขึ้นมีโอกาสได้ตรวจสอบนี่คือความเจือจางของสรญชาตยานเกลือมันเค็มแต่สามารถเป็นอาหารที่ปลอดภัยได้ พริกมันเผ็ดแต่สามารถเป็นอาหารที่อร่อยได้ก็อยู่ที่การเจือจางและสัด ส, ส่วนสันทธยานมันเข้มแต่ถ้าเรามีการจัดการสัด ส, ส่วนอย่พอดีมันก็เป็นปัญญานั่นเองซึ่งถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่จริงจังกับเรื่องนี้ถือว่าเราเสียโอกาสทั้งความเป็นมนุษย์ แต่เราไม่เป็ไปอ้างว่าคนทั่วไปก็ไม่เห็นเขาไม่ศึกษาไม่ไมเห็นมาใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเรื่องอะไรอยไปใส่ใจอะไรนักหนาอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะนั้นเราไม่เห็นชันไม่เห็นภูมิจิตของคนทั้งหลายเราอยู่สมมุติเราอยู่ที่ในระดับสิบคนข้างล่างก็ยืนเหมือนกันฉันอยู่ข้างบนฉันก็ยืนเหมือนกันแต่วิสัยของคนข้างล่างที่มองเห็นกับเราที่ยืนนี่มองเห็น ในที่สูงต่ำกันเนี่มันต่างกันคนที่มองเห็นไกลก็จะปลอดภัยกว่ามาอะไรเกิดขึ้นคนที่เห็นใกล้ก็ไม่ปลอดภัยภัยมาเมื่อรู้เมื่อภัยมาถึงตัวแล้วเนี่ยก็อันตรายแต่เรากลัวภัยนั้นจะมาถึงตัวเราเลยเห็นมันก่อนมันก็ปลอดภัย่าทางด้านจิตใจก็เหมือนกันถ้าเห็นความรู้สึกที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นปั๊บมันถึงจิตแล้วเราเตรียมอะไรไม่ทันโกรธปั๊บตอบสนองทันทีมันถึงตัวแล้วความโกรธของเราเตรียมอะไรไม่ทัน แต่ถ้าเราเห็นมันซะก่อนเนี่ยอาการแบบนี้มันเป็นเรื่องของทำท่าจะโกรธแล้วนะเราเห็นมันซะก่อ น, นมันก็ปลอดภัยที่จะไม่ให้มันเข้มหรือที่จะหลีกเลี่ยงมันได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นความาชังแล้วนะแต่ถ้าเราไม่พัฒนาความรู้สึกทีนี้ไอ้ความชังมันจะมาเป็นก้อนตูมทีเดียวจิตของเราก็เปลี่ยนแปลงกายวาจาใจของเราเป็นลักษณะอกุศลไปทันที แต่พวกความรู้สึกชังในเราเห็นมันก่อนความรู้สึกจะชังคนมั น, มนองเริ่มด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วสามารถหลีกเลี่ยงมันได้แล้วก็ลดความเข้มข้นมันลงได้นี่คือข้อดีของความรู้สึกที่เราได้พัฒนาหรือความรู้สึกหิวรู้สึกอยากถ้าเราทำตามสันทาริยานก็แสวงหาความตอบสนองความหิวความอยากทันทีถ้าไม่ได้ไม่พอใจเกิดอาการทะเลาะบาแงง่งขัดแย้งถกเถียงฆ่าแกงกันก็มี แต่พอมาฝึกฝนเรื่องนี้ปั๊บเมื่อมีอาการหิวมีการอยากเกิดขึ้นก็มีโอกาสได้เห็นมโนอ้อความหิวอยากเป็นอย่างนี้นะฉันจะตอบสนองตอบส่องมันแบบไหนที่จะปลอดภัยมันมีทางเลือกเพราะเรารู้มาเสีก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกวิปัสสนาเราไม่สามารถจะรู้ถึงอาการของมันได้เลยว่ามันมาช้าหรือมาเร็วอ่ะเพราะทุกอย่างมันมีเหตุ แต่การที่ทุกอย่างเราเห็นเหตุเนี่ยมันก็สามารถป้องกันรักษาจิตใจตัวเองได้แต่เราไม่ไม่เห็นเหตุที่ไปที่มาเนี่ยเราก็จะมีแต่อันตรายและบาดเจ็บเมื่อเราเดินทางไปเห็นตะปูเห็นหนามขวางอยู่ข้างหน้าเสียก่อนเนี่ยเราจะไปเหยียบมันไหมอ่านั่นคือเหตุคือตามันเห็นเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าเราไม่รู้จักเหตุก็เดินไปกึงๆมองข้างหน้าโน้นแต่ไอ้สิ่งที่ใกล้ๆเนี่มองไม่เห็นมีขวากมีหนามมีตะปูมีเศษแก้วเศษอะไรก็ต่ําเอาเราต่ำเอาแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอย่างซ้ำซากมากๆเลยแต่ว่าเรารับรู้บทเรียนนี้แล้วแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนเรารักมากี่ชาติเราชังมากี่ชาติเราโกรธเราเกลียดมากี่ชาติ มันเคยเจียจางลงบ้งไหมอไม่เคยบางคนเพราะอะไรเราไม่เคยเห็นเหตุที่ไปที่มาของมันแเรวจะวระวังตัวได้ยังไงการโกรธการเกลียดกันมันเป็นพิษเป็นภยัยแต่เราก็ยังโกรธยังเกลียดได้เป็นวักเป็นเวรเราก็รู้มันไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธยังเกลียดเพราะอะไรเพราะไม่เห็นเ ห, นเหตุที่ไปที่มาเพราะจิตของเรามันยังอยู่ในระดับสัญชตาตญาณนั่นเองมันต่ํามันเตีย้ย แต่ถ้าหาเรามาพัฒนาให้มันเป็นสัญชาตญาณสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเห็นเหตุที่ไปที่มาการระวังตัวการแก้ไขการหลีกเลี่ยงมันก็ง่ายขึ้นท่านใช้คว่าปลอดภัยภาษาในบาลีท่านใช้ว่ากเกษมปลอดภัยสันติแล้วก็แล้วท่านจะเรียกดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยอาตมาเองคิดว่ามาไม่ต้องการที่จะ เสียเวลากับคนที่ไม่ต้องการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะนั้นการบอกการสอนธรรมะจะไม่เป็นกระแสให้คนมานิยมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปตามกระแสคือคนไม่จริงแต่คนที่จริงนั้นจะมีไม่เท่าไหร่จะมาจะให้เวลากับคนเหล่านี้นะไม่ว่ามาทำงานที่เมืองไทยหรือที่ต่างประเทศก็ตามเพราะนั้นลีธิตของธรรมะคนไม่มากสิบคนยี่สิบคนพอแล้ว ถ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายร้อยเนี่ก็ไม่ เ, เหมือนกันแต่ถ้ามันมีคนจริงเยอะขนาดนั้นมันก็ดีคนจริงร้อยคนก็เหมือนคนคนเดียวคนไม่จริงคนเดียวก็เหมือนคนร้อยคนมันสร้างปัญหาต่างกันนะดังนั้นจึงอยากจะให้โอกาสให้เราได้ใส่ใจเรื่องนี้แต่ความถูกต้องความผิดพลาดเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราใส่ใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องมันจะไวมาก ที่เราจะพ้นทุกข์ได้ภายในเวลาอันสั้นแต่ถ้าใส่ใจอย่างไม่ถูกต้องนั้นมันอาจจะทำให้เราต้องเวียนว่ายแต่เกิดตกลงลกไม่อีกไม่รู้กี่ชาติทั้นนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิในพุทธศาสนามีความหมายมากที่เรามาฝึกฝนเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาต้องมาต้องการมาเห็นว่าเห็นแบบไหนมันถูกเห็นแบบไหนมันผิดอย่างง่ายๆเนี่ย ถ้าเราเห็นความไม่สบายเป็นเราเนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดมันเห็นผิดแล้วความรู้สึกนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกนี่ก็คืออะไรความรู้สึกก็คือความรู้สึกอะมันตรงๆอ่ะความรู้สึกแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกเราเห็นว่ามันเป็นอะไรเสมอ เห็นว่าเป็นเราเสมอเราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราวงเราเหงาเราสบายเราไม่สบายเราสุขเราทุกข์เมื่อเห็นว่าเป็นเราแล้วเราก็ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เราถูกใจและไม่ต้องการเป็นเจ้าของตรองการหนีต้องการเป็นฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ถูกใจเรานี่มันเห็นผิดแล้วแต่ถ้าเราเห็นถูกเห็นอย่างไรเราเห็นความพอใจหรือไม่พอใจมันก็คือความรู้สึกชนิดหนึ่งและความรู้สึกชนิดนี้ เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นเจ้าของมันใช้มันเมื่อจำเป็นและความรู้สึกที่มันไม่ถูกใจเราก็ไม่จะเป็นไปเป็นเจ้าของมันเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ดีไม่งามก็ไม่ใช้มันเท่านั้นเองก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหนีมันไม่จำเป็นต้องไปโกรธไปเกลียดไปเครียดไปคูนอะไรกับมันถ้าถ้าเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูกคือเราเห็นสิ่งนั้นเป็นวัตถุอันหนึ่ง แต่เนื่องจากว่าเรายังไม่เกิดตาปัญญาเราจึงไปสำคัญมั่นหมายในความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราอันนี้คือความยากมากดังนั้นในวิธีการของพระเทียนท่านจึงให้สังเกตสังกาตั้งแต่ต้นคือรูปกับนามกายกับใจให้ชัดๆว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแยกให้เห็นก่อนเป็นเบื้องต้นเป็นเบสิคที่สุดอะรูปมันจะตมีลักษณะอย่างนี้ ลักษณะหนักน่วงลักษณะอึดอัดลักษณะที่เป็นชราเป็นอาพาธคือลักษณะของอนิจจทุกขลักษณะทว่าตามภายซาบปริยัติรูปต้องเป็นไปนตามกฎของอนิจจทุกขลักษตาหมดไม่ว่ารูปอยากกลางละเอียดก็ตามต้องเป็นไปนตามนั้นเช่นเดินนุ่มนั่งไปง่วงอย่างเงี้ยก็คือลักษณะอนิจจทุกขลักษตาเข้าเราแล้วแต่เราไม่รู้เราทาันกฎอนิจจทุกขลักษตาก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อเยเรื่อย แต่ถ้าเรารู้ว่าฐานอ้อนี่เป็นทุกขเวทนาออกมาในรูปอันนี้คือกฎของอ น, นิจจังแต่มันแสดงตัวในรูปของทุกขเวทนาเราก็ไปแก้ไขบําบัดทุกขเวทนานั้นออกเสียแต่บางอย่างมันมันความใกล้เคียงกันมีมากระหว่างความง่วงกับความสุขเวทนาเนี่ยแยกกันไม่ออกว่าไอ้ความง่วงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่คือความคล้ายเหมือนก็เรยก similarity เนี่ย ความคล้ายเหมือนตรงเนี้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาเข้มแข็งเราจะแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นคนถึงชอบติดอาการเวทนาบางอย่างหรือเรื่องการม่นฉันทะความสนุกสนานในความต้องการทางการมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จริงๆแล้วเขาบอกมันเป็นสุขแต่ในภาษาอริยเจ้าเขาบอกมันเป็นทุกข์ด้วยความคล้ายเหมือนตรงเนี้ยมันแยกออกกันยากมาก ดังนั้นการที่เราไม่มีการอบรมสติปัญญาฝึกฝนในระับวิปั ส, สนาเราจะแยกความใคร้เหมือนตรงนี้ออกไม่ได้เมื่อเราแยกไม่ได้มันก็ไปถือถูกถือผิดเห็นความการมาันชั่งท่าเป็นความสุขไปยึดเอาเป็นความสุขเอาถ้วมันความสุขจริงทํามมันเกิดปัญหาแหละแสดงว่าไม่ใช่ความสุขสิสามีภรรยารักกันปานจะเกินตอนแรก ว่ามีความสุขเอาต่อมามีปัญหากันอภัยกันไม่ได้ฆ่ากันตายเอาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะถ้ามันเป็นความสุขจริงเงินทองที่เราหามาได้ว่าเกิดความสุขเอาวันใดวันหนึ่งเกิดเงินทองทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะจริงไหมล่ะนะมันมีเราก็มีมันเราก็มีความสุขถ้าขาดมันไปความทุกข์มันเกิดถ้ามันเป็นความสุขจริงจะมีมันหรือไม่มีมันเราก็จะเป็นสุขได้สิ นี่คือความคล้ายเหมือนเราเนียถ้าเราไม่ฝึกวิปัสสนาเราไม่สามารถจะรู้ถึงความคล้ายเหมือนอันนี้เลยเราจึงไปสำคัญผิดว่าสุขเป็นทุกข์ที่ภาษานิยมกันว่าเห็นกงจะเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีอะไรทํานองนี้ซึ่งพูดกันได้แต่ว่าในการฝึกฝนปฏิบัติเพื่อให้เห็นความชัดเจน ร, ระหว่างทั้งสองลักษณะเนี่ยทายาก ถ้าไม่มาเริ่มต้นฝึกวิปัสสนาเราก็จะทุกอย่างนี้เรื่อยไปทุกอันเกิดจากการกินหรือสุขอันเกิดจากการกินอายตนะทั้งหกความคล้เหมือนเนี่ยเราก็กินกินกินแวเพราะว่ามีความสุขอา้าวันหนึ่งมันเกิดเป็นพิษขึ้นมาละ่ะอาหารเป็นพิษอาหารเกิดทําให้เกิดโรคความดันเบาหวานหัวใจมะเร็งเอาถ้าการกินเป็นสุกมันทาให้เกิดความทุกข์ทีหลังแสดงไม่ใช่สิมันเพราะอะไรความใคล่เหมือนตัวเนีย ถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่สามารถจะแยกาจากกันได้การมีวัตถุการมีสมบัติแรา ว, ว่ามีความสุขแต่แล้ววันก็เรทุกข์เพราะมันน่ะมันเป็นความสุขได้อย่างไรอะไรเป็นตัวแยกการมีลูกมีตัวมีผัวมีเมียมีสมบัติพระสถานแล้วว่าเป็นความสุขถ้ามันเป็นความสุขจริงๆเหล้วนี้ต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาและความทุกข์กับเราสิแต่นี่มันยังมีปัญหาเรื่ความทุกข์มากกว่าความสุขสิแสดงว่ามันไม่ใช่ ทำไมเราจึงไปหลงไหลได้ปลื้มกับมันละ่ะมันขาดอะไรก็ขาดตัววิปัสนาปัญญาดังนั้นในชีวิตประจำวันของเราจะต้องให้ความสม่ำเสละเข้มงวดกับสิ่งเหล่านี้ถ้าม่ฉะนั้นแล้วนี่การมาพบพระพุทธศาสนาของเรานั้นได้ประโยชน์น้อยมากและจะได้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับ ศรัทธาและปัญญาของคนคนนั้นถ้าศรัทธาเราไม่เพียงพอปัญญาเราไม่เพียงพอก็ต้องพัฒนาแต่ถ้ารู้ว่าศรัทธาไม่พอปัญญาไม่พอเขาไม่รู้จักพัฒนาไม่รู้จักวิธีพัฒนาอีกอันนั้นคือความอาภัพอับจนของแต่ละคนต้องรู้โดยเออศรัทธาอย่างนี้ไม่พอนะต้องมากกว่านี้ ปัญญาแค่นี้มันไม่พอนะต้องมากกว่านั้นพัฒนาได้สติปัญญาในแง่ของโลกุตระมันพัฒนาได้ตลอดเวลาแต่สติปัญญาทางโลกทางโลกิยะมันอาจจะจํากัดว่าบรรพาบุตรเราให้มาเท่าไหร่การศึกษาเราให้มาเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมเราให้มาเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ให้เรามาเท่าไหร่เนี่ยมันก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลานี้คือการเพิ่มพูนสติปัญญาที่เป็นโลกุตระแต่ ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรการฝึกฝนตนเองก็เป็นไปได้ยากการที่จะฝึกฝนตนเองได้ผลนั้นเราจะต้องมีศรัทธาและความเพียรที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวกำหนดซึ่งกันและกันดังนั้นเองอาจารมาจึงไม่ลาบากใจที่จะพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นความจริงที่ทุกคนสัมผัสได้และคนจริงที่จะสัมผัสความจริงได้ก็มีไม่มากไม่เป็นภาระ ดังนั้นจึงอยากจะให้วันเวลาของเราอยู่ที่เพียงสมวันเนี่ยมีความชัดเจนไม่ต้องถือว่า5วันเจวันหรือส0วันเพราะในครั้งพุทธการคนที่มาฟังพุทธเจ้าแม้แต่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังบรรลุธรรมได้อย่าว่าแต่สามวันเพราะความพร้อมมันสูงศรัทธาสูงความเพียรก็สูงปัญญาก็าสูงมันก็สามารถไปได้โดยไม่ต้องใช้เวลามาก แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องคำนึงถึงกำลังของตัวเองด้วยถ้าหากว่ากำลังเรามี50กิโลเราจะแบกของ100กิโลเนี่ยต้องลำ บ, บากแน่นอนแต่ถ้ากำลังเรา50กิโลเท่าแบกของต่ากว่า50กิโลอาจจะแบกได้ตามน้าหนัก2กิโล3กิโลขึ้นไปถึง4 9กิโลเนี่ยอันไหนมันสบายกว่ากัน ในการรับภาระของโลกก็เหมือนกันเราต้องประมาณถึงกําลังของตัวเองเสมอแต่ทุกวันเนี่ยมันเกิดความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเอามาถือว่าเป็นยุคมิจฉาทิฏฐิที่รุนแรงทุกวันเนี่ยเป็นยุควัตถุนิยมที่รุนแรงเพราะอะไรเพราะคนเห็นถูกเป็นผิดเกือบเบเซเช่นอะไรเช่นเห็นเกิดเรื่องเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเป็นเรื่องค่านิยม มันถูกหรือมันผิดการที่จะพอใจยินดีในทรัพย์สินของตัวเองเท่าที่มีใช้เท่าที่มีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่คนชอบเนที่จะทําเรื่องนี้ไหม90เปอร์เซนต์ยังน้อยไปการพูดในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ดีงามแต่การพูดในสิ่งที่เป็นมุสา มันกลับกลายมาเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมเป็นกฎหมายเป็นซึ่งนี้แหละมาถึงบอกว่าเราทั้งหลายจึงเกิดในท่ากลางยุคมืดยุคมิจฉาทิฐิเราจะต้องเล่งแสงสว่างแห่งสธิปัญญาให้มากยิ่งมืดเท่าไหร่แสงสว่างยิ่งต้องเข้มแข็งดับไม่ได้ทุกวันน้เราเห็นดูในสังคมมนุษย์เขาเบียดเบียนกันด้วยวิธีการต่า ง, างและเราก็จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยถ้าเราไม่รีบ พัฒนาสติปัญญาของเราให้ให้เข้มแข็งให้สว่างสวยการเบียดเบียนจากความมืดของผู้อื่นมีได้ทุกระดับแ ต, แต่ลูกเราสามีเราภรรยาเราพ่อเราแม่เราพี่น้องเราเบียดเบียนเราได้ทุกระดับจะเบียดเบียนทั้งโดยตรงโดยอ้อมได้ทั้งนั้นนั่นคือความมืดแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ตระหนักเพราะปัญญาญาณของเราไม่กล้าแข็งพอที่จะไปเห็นเราก็ถูกสิ่งเหล่านี้เบียดเบียนอยู่ แต่เราไม่รู้บางทีเราก็สมยอมกับการเบียดเบียนนั้นด้วยเพราะเราเป็นคนมีวิบากกัมมันอยู่ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะให้เข้าใจเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วก็เจอกันไม่บ่อยนักที่จะพูดกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสามวันเนี่ยมาว่ารายละเอียดมากพอที่จะนำไปทำนะแต่ว่าใครก็ตามที่ฟังไปแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็ไปหาทาใหม่อะไรเนี่ยถือว่า ไม่ยอย่างไม่มีบุญก็ต้องปล่อยไปนะนะดังนั้นการรู้จักชีวิตจิตใจของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เงื่อนไขของมันว่าเรามีศรัทธาและความเพียรมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องอื่นศรัทนธะา ก, กับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปศรัทธา ก, กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ศรัทธาในศาสนาแต่ศรัทธาในความ ปกติที่ไม่ทุกข์ของตัวเองเนี่ยศรัทธาที่ไม่มีความวุ่นวายในจิตในใจของเราเองเนี่ยศรัทธามากน้อยแค่ไหนบางครั้งเออเราศรัทธาเต็มที่นะต้องการปรารถนาอยู่แต่ทําไมมันไม่ถึงสักทีอะทำไมมันไม่ได้สักทีอะศรัทธาที่จะไม่ฟุ้งซ่านแต่มันก็ฟุ้งซ่านสักทีแล้วศรัทธาเราเข้มแข็งพอไหมไม่พอก็อต้องมาพัฒนาปัญญาว่าเหตุอะไรที่มันจะทําให้ฟุ้งซ่าน ต้องตระหนักอยู่เสมอไม่ใช่ปล่อยให้มันฟุ้งซ่านแล้วมามาตระหนักรู้ไม่ใช่ไม่ทันศรัทาาในความตื่นรู้เบิกบานเราก็ต้องมองหาเหตุเสมอว่าทำไงชีวิตของเราจะตื่นรู้เบิกบานก็ต้องมองหาอยู่ตลอดเวลาแล้วปรารถนาความตื่นรู้เบิกบานแล้วก็มานั่งม่วงนั่งเงานั่งสงกเนี่ยเราไม่ศรัทธาเลวเพราะศรัทธาสิ่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นสิเนี่ยตรวจสอบเข้ามาใกล้ๆตัวเอง เราสรัทธาในความสันติและความสงบและความปลอดภัยแต่เราไปทำบางสิ่งบางอย่างไม่สงบไม่ปลอดภัยไม่สันติอ้าวศรัทธาแบบไหนไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ไปทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะ่ะตัวนี้ขาดอะไรขาดปัญญาดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะามาไปที่ไหนมัน เ, เน้นในเรื่องนี้นะถ้าไม่เน้นเรื่องนี้มาเสียไม่เสียเวลาพูดนะ อยู่เฉยเฉยดีกว่าพูดเราต้องในเรื่องนี้เพราะมีคนหลายคนต้องการที่อยากจะรู้แต่บางทีมันพูดก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ต้องการที่จะฟังนะหรือเราพูดเสนอเรื่องนี้ไปแล้วไม่ได้รับความสนใจเราก็อยู่เฉยเฉยของเราสบายแต่นําเสนอเรื่องนี้ไปแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนบางคนที่เขามีบุญมีอุญส่วนมีบารมีได้สร้างสมมาก่อนเขาควรที่จะได้รับรู้ได้ศึกษาเรื่องนี้เราพร้อมในการที่จะช่วยเขา พราะันถ้าหากแต่ละคนได้เห็นความสาคัญเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยวันเวลาของชีวิตให้ผ่านไปโดยที่ไม่พัฒนาสิ่งนี้เด็ดขาดวันเวลาก็จะมีคุณค่าและความหมายมากเพราะนั้นเองนับแต่วันนี้ไปเนี่ยใครเคยทุกข์มากมายมหาศาลให้เอาใจใส่เป็นพิเศษว่ามันทุกข์เพราะเรื่องอะไรดูทีละเรื่องละเรื่องไป มันก็มีแค่สองเรื่องทุกที่มันจะเกิดไม่ใช่มากมายซับซ้อนอะไรทุกที่เกิดกับกายทุกท็เกิดกับจิตเท่านั้นเองทุกที่เกิดกับกายไม่ยากแก้ไขบำบัดได้แต่บางครั้งเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นทุกกายอันไหนเป็นทุกจิตทุกบางอย่างมาเริ่มแต่กายไปกระทบถึงจิตทุกบางอย่างมาเกิดแต่จิตไปกระทบถึงกายเช่นอะไรเช่นเราทํางานเราก็อยากได้ผลตอบแทน ให้มากแต่ถ้าได้ผลตอบแทนต่ำเราก็ไม่อยากทําอันที่เป็นวิสัย <c oughs> เป็นธรรมดาที่สุดเลยแต่ถ้าหากว่าผลตอบแทนนั้นมันมีมากเป็นพิเศษอย่างหนึ่งชั่วโมงผลตอบแทนที่เราพอใจก็คือหนึ่งร้อยบาทสมมตุติแต่เนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขพิเศษเราทํางานได้ดีมากเขาให้ผลตอบแทน หนึ่บาทต่อชั่วโมงเราก็จะทําเป็นพิเศษเพิ่มก็ได้เพิ่มชั่วโมงก็ได้วันนึงฉันจะทำสักสิบชั่วโมงก็ได้แล้วร่างกายมันว่ายัางไงร่างกายมันพร้อมไม่พร้อมแต่จิตใจของเรามันอยากนี่จิตใจเบียดเบียนร่างกายแล้วออกะเดียวมันไม่พอใช้ฉันจะทำทั้งสองกะจากแปชั่วโมงต่อวันเป็นสิบหกชั่วโมงฉันทําได้แล้วร่างกายพร้อมไหม นี่เขเรียกว่าใจเบียดเบียนกายเบียดเบียนลักษณะอย่างนี้หรืออาหารชนิดที่ฉันชอบฉันกินเท่เต็มที่เลยแต่กายเขาพร้อมไหมไม่กายมีปัญหาและเจ็บป่วยต่อมานี่กายเบียดเบียนใจเราจะใจมาแก้ไขอย่างไรถ้าเราไม่มีความรู้ประเภทนิัพานาความทุกข์อันเกิดจากการเจ็บป่วยและขาดแคลนที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเพราะขาดปัญญาแบบนี้แล้ว ไม่มีใครที่จะมานั่งเทศนั่งสอนนั่งคุณมันเน้นย้ำเรื่องเหล่านี้ให้พวกเราได้ทราบนักหรอกเพราะต่างคนก็ต่างแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการดังนั้นจึงอยากจะเน้นว่าสิ่งที่เรามาเรียนรู้เพียงสามวันเนี่ยถ้าเอาใจใส่จริงๆมากพอที่จะทําให้ทุกขมันลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่เอาใจใส่จริงๆอย่างเพียงพอเราก็ต้องทุกข์ต่อไปนะ นั่นเองในช่วงเช้าวันนี้เนื่องจากว่าเราจะอยู่กันวันนี้อีกวันหนึ่งเท่านั้นข้างหน้าไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันต่อไหมอาจะมาอาจจะไม่อยู่หรือโยมอาจจะไม่อยู่อาจะมาอาจจะตายหรือโยมอาจจะตายอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่ถ้าเจอกันแล้วก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่กันเท่านั้นเองนั้นก็จึงขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ อย่างต่อเนึ่งและจริงจังและจริงใจและอย่างถูกต้องด้วยถ้าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องไม่จริงจังหรือจริงจังมากเกินไปด้วยความโลภโกรธหลงจะเกิดผิดเพี้ยนอะไรขึ้นมานี่จุดนี้ต้องระวังอแม้แต่ในสิ่งที่ดีที่สุดเราก็โลภมันได้เพราะมีหลักบางลายไปทําเอาเป็นเอาตายทั้งวันทั้งคืนก็เพี้ยนไปเลยอย่างนี้ก็มีต้องระมัดระวัง เังนั้นในความจริงจังตั้งใจของเรานั้นจะต้องมีปัญญากำกับเสมอเพราะตัวปัญญานั้นจะเป็นตัวตรวจสอบความพอดีหรือเกิดพอดีแต่ในกรณีที่สติปัญญาเราไม่พอเรามีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์มีผู้มีประสบการมาก่อนเราคอยเป็นที่สอบถามและศึกษาเมื่อไม่มีปัญญาของตัวเองก็ต้องอาศัยผู้อื่นได้ ในวิธีการนี้ดังนั้นเวลาทําแล้วเราจะต้องรู้ประมาณรู้กาลังของตัวเองด้วยถ้าหากว่ากําลังเราสามารถพิจารณาได้หนึ่งชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นไม่ได้ก็เอาแค่หนึ่งชั่วโมงถ้าความเพียรของเราทําเต็มที่ได้สองชั่วโมงก็เอาแค่สองชั่วโมงแค่นั้นต้องเพิ่มเติมตามกําลังกายและกําลังจิตของเราอย่าให้เกินกําลังแต่คนส่วนใหญ่ที่มันผิดพลาดแผกเพี้ยนไปเพราะทำอะไรมันเกินกําลัง แล้วก็ยากแก่การแก้ไขนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยขออนุโมทนาสาธุที่เราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ร่วมกันต่อไปจนกระทั่งทุกคนได้หมดกิเลสและหมดทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด